ว่างจากความรู้ไม่พอรู้จนพอใจคือรู้แล้วหายสงสัยรู้จนสบายใจคือรู้แล้วหายติดค้างรู้พอตัวคือรู้แล้วเอาตัวรอดได้รู้เกินตัว คือรู้แล้วพลอยช่วยคนอื่นรอดรู้มากพอคือรู้แล้วทำงานสำคัญเสร็จรู้เกินพอคือรู้แล้วทำงานสำเร็จหลากหลายรู้จักตัวเองพอคือรู้แล้วพร้อมรับผิดชอบเหตุผลที่ตนเลือกรู้จักคนอื่นพอ คือรู้แล้วหายสงสัยว่าทำไมเขาถึงทําอย่างนั้นรู้พอดีทำให้ชีวิตลงตัวรู้ดีพอทำให้ชีวิตก้าวหน้ารู้หมดไม่มีรู้ดีไม่มีหมด นอกจากรู้ให้พอต้องรู้จักพอให้เป็นถ้าพอไม่เป็นต่อให้รู้แค่ไหนก็ไม่ครบไม่มีวันได้พบความสุขแม้มีทุกข์ก็ไม่จบดีชีวิตที่มีจะไม่เคยเต็ม